สมัยนี้พระองค์ก็ได้รับชื่อว่าเป็นพระสมณะโคโดมใช่เป็นโคตมโคดโคดของพระอาทิตย์ทีนี้พอได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็เสวยวิมุตติสุขตั้ง4ี่สิบ้าวันเจ็ดสัปดาห์นอกจากจะเสวยวิมุตติสุขแล้วเนี่ยก็ได้ใช้เวลาในการสรุป รวรวมธรรมะให้มันเป็นหมวดหมู่พอที่จะนำมาแสดงแจกแจงตัด ห, หมู่สัตว์ว่าธรรมะที่พระองค์ทรงรู้เนี่ยพระองค์เียบไว้เหมือนกับว่าใบไม้เดินเข้าไปในป่าเนี่ยใบไม้แยะเลยพระพุทธองค์ก็ทรงก้มลงไปเก็บใบไม้มากามือหนึ่งแล้วก็ถังพวก ภิกษุที่เสด็จที่ตามเสด็จมาด้วยว่าเนี่ยเพืกเธอเห็นใบไม้ในในมือเราไหมเห็นพระเจ้าข้าเธอว่าใบไม้ในมือเรากับใบไม้ในป่าเนี่ยอันไหนมันเยอะกว่ากันใบไม้ในป่าพระเจ้าข้าฉันไดฉันนั้นภิกษุธรรมะที่เราเรารู้เราเห็นแจ้งประจักษ์ที่ใจเราเนี่ยมีมากมายเหมือนใบไม้ในป่านี่แหละ แต่สิ่งที่เราได้นํามาคัดกรองมาแล้วได้นํามาแสดงให้ให้หมู่สัตว์ได้รับรู้เนี่ยก็มีปริมาณเท่ากับใบไม้ในมือเราเนี่เองคือเทียบเคียงกันแล้วก็มีน้อยนิดนิดแต่ไม่ใช่ว่าน้อยแล้วไม่ดีนะคือถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยมันก็ไม่รู้จะศึกษาอะไรได้หวัดได้ไหวถูกปะแต่การที่นํามาแต่น้อยแต่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมยิ่งยวดมันก็ทําให้ง่ายต่อคนที่จะมาศึกษาเรียนรู้ด้วยเพราะปริมาณไม่ได้มากเกินไปสองแล้วก็เป็นสิ่งที่มันจําเป็นมีธรรมะที่จําเป็นและธรรมะที่ไม่จําเป็นธรรมะที่เร่งด่วนควรจะต้องรู้กับธรรมะที่ไม่ต้องเร่งด่วนไม่ต้องรีบรู้ก็ได้ บางอันรู้ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์คัดมาให้เนี่ยก็คือสิ่งจาเป็นต่อหมูสักที่จะต้องรีบศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้กคือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์นี่แหละมีทุกข์ก็ศึกษาเข้าใจเราเราจะได้พ้นทุกข์ พอตรัสรู้แล้วได้เสวยวิมุตติสุขเจ็ดี่สิบเกวันได้ใกล้ครวนพิจารณารวบรวมหมู่ธรรมะจัดเป็นหมวดเป็นหมู่อันไหนควรแสดงอันไหนไม่จําเป็นต้องแสดงแจกแจงอะไรก็สรุปรวมมาไว้แล้วพอนึกถึงว่าเอ้เราจะแสดงธรรมะกับใครเนี่ยก็นึกถึงอาจารย์เก่าอาราระดาบุตกับอุตกกระดาบุ พันึกถึงอาราธดาวดบทก็มีความรู้ปรากฏขึ้นในใจอแต่ถ้าในตำราบางบางบางบางอันก็เปรียบเทียบว่าเป็นความรู้ในใจบางอันก็เปรียบเทียบว่าเป็นเทวดา ม, มาบอกบอกว่าอาราธดาบทเนาะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเจ็ดวันก่อน พอทราบอย่างนั้นปุ๊บ ก, ก็นึกถึงอาจารย์เก่าอีกองค์หนึ่งก็คืออุธการดำบทก็เกิดความรู้ขึ้นในใจว่าอก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันเมื่อเมื่อวานนี้ก็เกิดความแบบเสียดายแทนนะเสียดายว่าโอ้สองคนนี้เนี่ ย, ยถ้าเปรียบเป็นเหมือนก็อันนี้อันนี้คำเราเองนะ จะเปรียบเทียบเหมือนวันวนเนี่ยมันก็อยู่ปากอคอกแล้วเปิดคอกมันก็ออกได้เลยก็คือเป็นผู้ที่มีบารมีมีความรู้สั่งสมมาเพียงพอกับการที่ถ้าฟังธรรมเล็กน้อยเนี่ยก็จะบรรลุธรรมได้แต่เสียดายว่าความตายมันมาเยือนเสียก่อนก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ ทรงรู้ทรงเห็นได้ด้วยพระองค์เองอุตกะดาบทก็ตายไปแล้วอาราธดาบทก็ตายแล้วก็เลยนึกถึงว่าอ้าวแล้วใครนาะที่เราจะพอที่จะแสดงธรรมโปรดต่อไปได้ก็ได้ทรงนึกถึงอัญจวคีคนสมัยก่อนก็เรียกเบนจวคี สมัยนี้ก็พูดที่มันติด บ, บาลีเข้าไปก็ปัญจวัคคีก็คือพวกห้าก็คือกลุ่มที่มีห้าคนนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่ใกล้กันหรอกนะถ้าใครเคยไปอินเดียเนี่ยก็จะรู้ว่ามันก็ใกล้กันพอสมควรระหว่างาพุทธคยากับาสารนาที่พาราณสี ก็เดินทางถ้านั่นก็ต้องมีหกเจ็ดชั่วโมงนี่แหละก็เป็นหลายร้อยกิโลก็คุยง่ายจากวันวิสาขะใช่ไหมแล้วก็ไปถึงวันอาสารหาูชาก็ประมาณสักสองเดือนเดินเลยเดินไ่เรื่อย เ, ยเดินไปพักไปเดินไปพักไปเป้าหมายก็อยู่ที่เมืองพระนศีนี่ ก็คือจะไปหาปัจจุบันีแต่ในระหว่างทางก็เจอผู้คนเหมือนกันแต่ก็เป็นคนที่ครูเจ้าก็ตั้งใจจะแสดงธรรมให้ฟังนะแต่ก็จะเจอแต่ประเภทแบบไม่ฟังไม่เชื่ออะไรอย่างนี้นะอย่างเจอพรามที่ในตำราเขาให้ชื่อว่าหูหูเพราะว่าได้ยินได้ฟังอะไรก็ ถ้าเหมือนคนถ้าเป็นแบบไทยๆหน่อยก็เฮ้ยเฮ้ยเ ฮ, ฮ, ฮ้อย่างเงยก็นะคือแบบปฏิเสธไว้ก่อนไม่เชื่อไว้ก่อนเนี้ยก็ถามว่าท่านเป็นใครทำไมดูผิวพรรณของใสจังเลยบอกอ๋อเพราะท่านเรียนมาจากใครใครเป็นอาจารย์ของท่านละ่ะบอกอ๋อเราไม่ได้เรียนจากใครหรอกเราจัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ตัวตัวของเราเองเอาฟังแล้วก็ฮึฮึแล้วก็เดินจากไปเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อก็เลยพลาดโอกาสที่จะฟังธรรมแต่ถ้าเราดูในรายละเอียดจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นความปรารถนาด้วยนะที่แรงบุญแรงปรารถนาของ พระอัญญาคนอัญญาที่ท่านได้สั่งสมบารมีเอาไว้มาวันในอดีตชาติเนี่ยท่านก็มีความปรารถนาสั่งสมบุญปรารถนาในสิ่งนี้ในหลายๆภพหลายๆชาติก็คือปรารถนาที่จะเจ อ, อสัมมาสัมพุทธะแล้วก็จะได้เป็นคนฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธะเป็นคนแรกแล้วก็ที่จะ รู้เข้าใจเป็นคนแรกบาเพ็ญเพียรบาเพ็นบา ร, รมีต่างๆนานาหลายครบลายชาติก็เพื่อความปรารถนาอันนี้เพราะฉะนั้นขอบุญมันส่งผลเนี่ยผู้ชาวก็เลยเหมือนกับว่าในระหว่างทางก็เจอแต่คนที่ไม่ไม่เดินทางเป็นเดือนๆนอะ่ะมันเจอคนก็ต้องเจอบ้างแ่ะต้องบินลำบาดบ้างอะไรบ้าง แต่ก็เจอแต่คนที่ไม่ได้เหมาะกับการที่จะฟังธรรมสักคนหนึ่งก็จนมาถึงไอ้ป่าอิสิปตนะมฤกัยวันแล้วก็ได้เจอกับอ่ามันเจวาีมันเจวาีก็เขาเรียกว่ามีความหลังฝังใจมาก่อนว่าเราเคยอุปถาอุปธรรมนะแต่ พระพุทธเจ้าตอนนั้นที่เป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ทําให้เราผิดหวังโดยที่ตัวเองคิดว่าท่านได้คลายความเพียรเพียรไปเพื่อเป็นคนมากมากก็คือคลายจากการที่ทําทุกกรรกิริยาอดอาหารแล้วก็เลิกที่จะอดอาหารแล้วก็เริ่มที่จะมาฉันบำรุ ง, งเลี้ยงร่างกาย เพื่อที่จะมีพลังมีแรงกายแล้วก็จะได้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจต่อไปให้มันได้สะดวกพอเห็นจากการที่ว่าเลิกที่จะอดอาหารแล้วก็อ๋อสมรัโคโดมนี่คลายจากความเพียนเวียนไปเพื่อความเป็นคนมากๆแล้วก็ถอดใจ ไม่ฝากความหวังไม่เอาไว้เป็นที่พึ่งและไม่อุปถาอุปธรรมแล้วก็เลยเหลีกจากพระพุทธองค์ไปตอนนั้นเป็นพระบุทธิสัตว์หลีกไปอยู่ที่ป่า อ, อิสิตปนตนนมริกทายวันอะไรซึ่งก็กประจบเหมาะกับการได้โอกาสอันดีที่จะไม่มีคนกวนอะไพิจารณาเต็มที่ได้เห็นจนสุดท้ายก็อย่างที่เรารู้กันก็คือ ใช่บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเป็นเดือนวิสาขะนันเลยทีนี้ก็มาเจอด้วยความหลังฝังใจก็ตกลงกันเลยโอ้นั่นสมณโคโดมมานี่งั้นเราเอานี้เอาไงดีกระตกเรากันว่าเอาเราจะปูอาสนะไว้ให้แต่เราไม่เชิญเชิญให้เขานั่งเราจะไม่เอาเราตั้งน้ําล้างเท้าไว้ให้แต่เราไม่ล้างให้ ยัเป็นต้นนะเราจะไม่กล่าวต้อนรับขับสู้อะไรให้มันมากมายอยากนั่งก็นั่งอยากคุยก็คุยไปอะไรอย่างนี้แต่พอเจอเพิ่มเนี่ยก็ลืมข้อที่ตกลงกันไว้ก็ยังเข้าไปอุปถัมภ์มันเก่าเตรียมน้ำฉันน้ำใช้ให้เชื่อเชิญให้นั่ง หลังเท้าให้เปต้นแต่ก็ยังมีความหลังฝังใจอยู่นะงติดใจอยู่กับเรื่องเก่าครูเจาก็บอกว่าเออลามานี่เนี่ยเราจะแสดงธรรมให้ฟังอันนั้นก็สวนเลยว่าจะแสดงธรรมได้ยังไงคุณรู้ทำเห็นทำอะไรเนี่ยว่าคุณคลายความเพียรเวียนไปเพื่อความเป็นคนมากมากแล้วจะมีธรรมะชั้นเลือธรรมะ ดีงามอะไรมาแสดงให้เราฟังมันไม่น่าจะมีได้นะรู้ิจากก็ด้วยอันนี้สองนะผมเป็นบารมีสิบทัศน์มาจนเต็มเปี่ยมหนึ่งในนั้นก็คือสัจจะบารมีก็คือการที่เป็นคนตรงพูดคําไหนคํานั้นไม่โกหกก็พูดไปว่าคําเนี้ยพวกเธอเคยได้ยินจากปากเราหรือเปล่าว่าเราเป็น ส, สัมมาสัมพุท ธ, ธะแล้วในการก่อนเคยได้ยินแบบนี้ไหมถามเรากี่ครั้งกี่ครั้งเราก็บอกว่ายังไม่บรรลุยังไม่บรบรลุใช่ไหมจะได้ฉุกใจคิดเออใช่เนาะก็เลยอ่อนลงแล้วทีนี้ก็พร้อมที่จะเอาใจมารับฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงให้ฟัง ก็เปิดหัวเรื่องมาเลยว่าส่วนสุดสองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสกก็คือการมาสุขขันธิการุโยกแลกคือการประกอบตัวนี้มัวเมาความสุขในกามทั้งหลายกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการประกอบตัวนี้มันลำบากไป่เปล่าแล้วก็แสดงตัวเรื่องอีกทางหนึ่งที่ใช้ชื่อว่ามัชชิมา ปฏิปทาที่เรียกว่ามัชชิมาคือทางสายกลางอันนี้ไม่ส่วนสุดข้า ง, างหนึ่งข้างใดแต่เป็นทางอีกเส้นหนึ่งที่ชื่อว่ามัชชิมาคือทางสายกลางก็ประกอบไปด้วยอริยมรรคในองค์แปมันเป็นทางที่เราได้รู้แล้วและมันเป็นทางที่เป็นไปเพื่อจักสุขเป็นไปเพื่อ ปไปเพื่อความรู้ปไปเพื่อความสงบประนับเหล่านี้เป็นต้นพอแสดงว่ามันมีทางอีกทางหนึ่งนะจี่ไม่ได้อยู่ในส่วนสุดสองอย่างที่โลกนี้ดำเนินกันไปมีทางหนึ่งที่ชื่อว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางประกอบไปด้วย แอย่างจะ ม, มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคือความตมดิบชอบสัมมาวาจาคือมีการพูดที่มันชอบชอบคือถูกต้องนะสัมมากัมมันตะการประพฤติตนที่มันชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบ ส, สัสมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติมีความระลึกชอบสมัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นของจิตใจที่มันชอบก็แอยาา่ยางพอทรงแสดงไวพอทรงแสดงทางสายใหม่ให้ให้รู้แล้วก็แสดงความจริงความจริงที่ เป็นความจริงอันประเสริฐคือหมายความว่าถ้าเรารู้ความจริงอันนี้มันนำพาชีวิตให้เราไปได้ดีแน่นอนความจริงที่ว่าคือความจริงเกี่ยวกับทุกข์ความจริงที่ว่าที่เกี่ยวกับเหตุเกิดทุกข์ความจริงที่ว่าเกี่ยวกับความดับของทุกข์และความจริงที่ว่าคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ด้วยก็ตรัสแสดงความจริงเหล่านี้ออกมาให้พวกบรญจวกีได้รับรู้รับทราบ แล้วก็ได้ตรัสเกี่ยวกับหน้าที่ที่เราจะมีต่อความจริงนั้นๆให้รับรู้รับทราบด้วยก็คือว่าถ้าความจริงเกี่ยวกับทุกนะเรามีหน้าที่คือกาหนดรู้มันรู้ว่าทุกได้เกิดขึ้นแล้วกับเราแค่นั้นพอไม่ต้องไปดับมันไม่ต้องไปอะไรกับมันมากแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปของมันเอง แต่สิ่งที่ควรละก็คือละเหตุเกิดทุกนี้ท่านก็กันกรองจนสรุปว่ามูลร่างของเหตุเกิดทุกข์ถ้าหยาบๆนันก็แตกแขนงออกไปนะแต่ถ้าเราไล่ปลอกถอดไปที่ละเปาะสองเปาะเปาะสองเปาะจนสุดท้ายแก่นแท้ของสมุทัยแก่นแท้มันก็คือตัณหาคือความทยานอยากนี่เองที่เป็นตัวต้นเหตุ มูลเหตุของเหตุเกิดทุกข์ต่างๆแล้วความดับทุกข์เนี่ยมันก็มีจริงนะทุกข์มันดับไปได้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีหน้าที่กับความจริงที่เรียกว่านี่โรทัคือความดับของความทุกข์ก็คือทําให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาวิธีง่ายคือทำให้มันเกิดผลขึ้นมานั่นแหละ และความจริงอันสุดท้ายคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราก็มีหน้าที่คือทําให้มันเจริญขึ้นภาวิตาพระภุรีกตาก็คือทําให้มันมากทําให้มันเจริญทําให้มันบ่อยๆมากๆถ้าทางอันนี้มันเจริญขึ้นเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่ความดับทุกข์แน่นอนท่นก็มอบให้ มอบนาทีให้ด้วยเอาฟังไปฟังไปฟังไปในเรื่องสมาธิเนี่ยกับเรื่องเขาเรียกว่าการเข้าสมาธิกับพวกฤาษีชีไพรพราหม์เหล่านี้นี่เขาทำกันมาจนชำนาญอยู่แล้วพอจิตใจที่มันตั้งมั่นมันก็ตั้งมั่นได้เร็วพอมีความสงบใจเป็นพื้นเดิมที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ เอาความสงบใจนี้มาไตรตรองครกลวนตามคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแจกแจงไปเนีอยพระญากรธัญญาก็ถึงบางอ้อขึ้นมาอ๋อขึ้นมาในใจเลยว่ายั่งกิงจิงจงสมุนยะดท ม, มั่งสับบัรตังนิโรธธรรมมัง่งพอแปลเป็นไทยก็แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดา ความจริงอันนี้มันปรากฏแจ่มแจ้งขึ้นในใจของพระอัญญากรุญญาเลยโอ้ใช่เลยมันไม่มีอะไรที่มันทิ้งแท้แน่นอนถาวรมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เอาใจไปผูกไว้ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทุกแน่นอน ความจริงนี้มันก็ผางขึ้นมาในจิตใจปรากฏอย่างแจ้งขึ้นในใจเสร็จป๊บแบบนี้เนี่ยก็เลยพอมันรู้ของจริงเห็นของจริงมันก็ยิ่งมีความศรัทธาสิศรัทธาในคนแสดงคำสอนศรัทธาในความรู้ผลที่มันประจักษ์ใจว่าโอ้มันของจริงของแท้อะแล้วก็ยิ่งมีความศรัทธามากกับคน ที่แสดงก็คือพระพุทธเจ้าพขามีความศรัทธามากก็เลยรู้สึกว่าศาสนานี้กว้างใหญ่หมายถึงคําสอนนะคําสอนคําสอนนี่เป็นคําสอนที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ต้องมันต้องเขาเรียกว่ามีอีกอ่ะมันไม่ได้มีแค่นี้อ่ะมันต้องมีอีกก็มีความศรัทธาก็เลยอยากที่จะ ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงทูลขอการอุปสมบทขึ้นมาขอเป็นเข้าพวกด้วยขอเข้าพวกด้วยนะเป็นสาวกนะจะได้คอยติดตามคอยได้รับการปบรมสั่งสอนให้มันมากขึ้นกว่านี้พอตอนที่ รัญญากรณัญญาได้รู้แจ้งเข้าใจถึงความจริงอันนี้และได้เปล่งมุ่ทานออกมาแบบนี้หมู่เทวดาก็เลยโอ้สรรเสรร์เลยว่าโอ้ธรรมจักจักคือธรรมเนี่ยพระองค์ได้หมุนหมุนแล้วนะได้ประกาศาศาสนาแล้วหมุนกงล้อของธรรมจักแล้วก็ได้เป็นที่มาของชื่อพระสูตร ที่ว่าธรรมจักรกับปัตฐนสูตรสูตรที่ว่าการหมุนไปของจักรคือธรรมก็คือการเป็นเป็นพระสูตรที่ว่าวยการแสดงครั้งแรกหรือการหมุนธรรมจักรหรือการหมุนกงล้อแห่งธรรมครั้งแรกให้มันหมุนไปแต่ความรู้ความเข้าใจอันนี้นะก็ เป็นเพียงอยู่ในชั้นเขาเรียกว่ามีดวงตายแห่งธรรมถ้าจัดอยู่ในชั้นอริยะบุคคลก็เป็นอริยะบุคคลชั้นโสดาบันนะแล้วก็ทยอยเทศปกิญกะไปเรื่อยๆอวันนี้เทศอันนี้วันนี้เทศอันนี้อ่าวันนี้เสร็จปุ๊บอ่าวันนี้ศรัทธามากรู้แจง้งเหมือนพระ อ, อัญญากรทัญญะแล้วก็คอนทุนขออุปสมบทไล่เลี่ยงกันไปอ่าวันนี้คนนี้ไปบินาบาตอามาเลี้ยงหมูเพื่อนอพระเจ้าก็ทรงแสดงทรงเทศไป จนรู้เข้าใจจนครบทั้งห้าคนเลยทั้งห้าคนก็ได้ทูลขอการอุปสมบทจนครบทุกคนก็เป็นพระสง์กลุ่มแรกเกิดขึ้นในศาสนาแต่ก็เป็นพระโสดาบันกันหมดนะยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เพราะพอที่เป็นพระโสดาบันกันครบหมดแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงหลักใหญ่ใจความในศาสนาอีกชั้นหนึ่งคืออีกพระสูตรหนึ่งให้ให้ให้ฟังเปนพระสูตรที่ว่าด้วยความไม่มีตัวตนน่นแหละรูปเที่ยงไหมรูปมีตัวตนไหมกระถามไปเรื่อยข่าคนก็ตอบรูปไม่เที่ยงพระเจ้าข่าไม่มีตัวตนพระเจ้าค่า อ่าไม่มีตัวตนมันไม่เที่ยงเงี้ยมันเป็นของมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะมันก็ต้องเป็นทุกข์สิถ้าเรายึดไว้มันต้องเป็นทุกข์แน่นอนก็เป็นทุกข์พระเจ้าข้ามันเสื่อมได้ไหมเสื่อมได้พระเจ้าค้าอย่างนี้เป็นต้นนะก็ว่าไปก็เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความถึงความไม่มีตัวตนไม่มีสาระเกณฑ์สารของสิ่งต่างๆซึ่งเราก็จะคุ้นจริงกันในชื่ออนาตตาลัคนาสูตรนั่นแหละ ซึ่งสองบทนี้เราก็จะสวดกันเหมือนกันนะธรรมาจาักกับป่วัฒนาสูตรก็สวดอนัตตาและคณะสูตรเราก็จะสวดแล้วก็อีกบทหนึ่งที่ว่าจะสวดก็คือพ่อจงนะเวลาคนป่วยไข้เราก็ชอบสวดพ่อชงกันนะสวดแล้วหายป่วยหรือไม่หายป่วยอันนี้ก็มันก็พูดยากจะบอกว่าสวดมนต์บทพชงแล้วหายป่วยทุกคนมันก็เกินไป แต่เนื้อหาใจความของโคชงมันก็นำเรื่องราวต่างๆนั่นแหละมาร้อยมาบันทึกเอาไว้คือมั น, เ ป, นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโคชงคือสิ่งที่แบบว่าเหตุที่จะทำให้เราบรรลุธรรมมีเจ็ดอย่างมีสติสัเพ็จชงใช่ไ ห, หนึ่ง ธรรมวิจยะสัมพชชง2วิริยะสัมพุทชง3ปมอิตสสสิสัมพุทชง4ี่ปสจติสัมพุทชง5สมาธิสัมพชชง6แล้วก็อเวคาสัมพุทชง7ก็คือ7อย่างนี้แหละถ้าเรามีเราสมบูรณ์พร้อมมันก็เป็นเหตุเป็นเครื่องที่เราจะเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่เราจะ บรรลุธรรมได้ทีนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับหายป่วยไม่เกี่ยวกับหายป่วยก็ตรงที่ว่าเขาก็อันนี้ก็เป็นวรรคแรกวรรคต่อไปก็พูดถึงว่าเอกสิมิงสมยนาโตโมคาลานันจะ ก, กัสปั่นก็คือพระมหาโมคลานะกับพระกัสปะเนี่ยป่วยเอาป่วยพวกผู้ชาบก็เสด็จไปเยี่ยมเสด็จไปเยี่ยมก็ โอภาปใสกันสักพักหนึ่งก็คุยถึงธรรมะให้ฟังก็แสดงถึงพุทธชงเนี่ยพูดถึงเรื่องโพุทธชงให้ฟังที่เสตฟังไปฟังไปฟังไปใจมันเข้าสมาธิดีจิตมันวางดียังไงก็ไม่ทราบแหละเกิดหายป่วยขึ้นมาสะงั้นก็กลายเป็นว่าฟังบทพุทธชงแล้วก็พระโมคันลนะไม่ได้ป่วยพร้อมกันนะ อันนี้หมายถึงคนละบาละพระโมคละพระโมกคละลนะป่วยพุยเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพูดถึงโูชงก็เผอิญว่าหายป่วยขึ้นมาพระหมหากระสปะก็เหมือนกันเพราะป่วยคุยเจ้าทรงเสด็จไปเยี่ยมคุยไปคุยมาคุยเรื่องผู้ชงก็กลายเป็นว่ามีความอิ่มใจยังไงก็ไม่ทราบและวจิตมันวางยังไงก็ไม่ทราบแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ความป่วยไข้ที่มีมันก็หายไป อันนี้ก็เป็นวักที่สองเพราะวักที่สามก็พูดถึงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรเองทรงประชวรเองก็มีหมู่ภิกษุมาคอยอ่าคอยดูแลนั่นแหละดูแลไปดูแลมาพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไหนเธอคุยเรื่องพุทธชงให้ฟังหน่อยแสดงธรรมเรื่องพุทธชงให้ฟังหน่อยก็กลายเป็นว่า บังเอิญหรือยังไงก็ไม่รู้ก็หายป่วยขึ้นมาเหมือนกันหายประชวชนขึ้นมาเหมือนกันก็เป็นเนื้อหาที่เขาก็พูดถึงเแหละ ว, ว่าตอนที่แสดงพูชมอันนี้นะพระโกทธรานักก็หายป่วยพระมหา ก, กรสปะก็หายป่วยแล้วก็พระพุทธเจ้าเองเนี่ยตอนฟังพูดชมก็หายป่วยเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าคนโบราณอาจารย์ก็เลยชอบที่จะเวลาใครป่วยก็จะชอบเอาบทนี้มาสวดกัน แต่มันก็ไม่ใช่ว่าสวดแล้วมันจะหายป่วยทุกคนนะมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกแต่เขาเรียกว่ามันก็เขาเรียกว่าเยียวยาทางใจนิดหน่อยเหมือนกับสวนบทนี้ปุ๊บมันมีคนหายป่วยนะมันก็เป็นกําลังใจใช่ไหมให้กับคนป่วยว่าเออมันเหมือนเป็นคําอํานวยพรนะ่ะให้เราหายป่วยหายไขย้มีสุขภาพแข็งแรงรานี้ ก็เป็นอะไรที่บทสวดมนต์ต่างๆมันก็มีความหมายในตัวของมันเองเป็นเรื่องเป็นราวที่พอเราแปลไม่ได้เราไม่รู้เนื้อความมันก็จะเอาแต่ขลังอย่างเดียวมันก็อาจจะผิดวัตถุประสงค์ไปนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เนื้อหาสาระในบทสวดแล้วเนี่ยเราก็จะซาบซึ้งไปกับมันได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างเช่นบทของอ ธรรมจักรกับปาวัฒนสุนที่ว่าด้วยอริยสัจสีว่าด้วยเรื่องทุกทุกเป็นยังไงสมุทยัยเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้ได้เหมือนกับเหมือนท่านมาเทศให้เราฟังแะเมื่อกันถึงอย่างท่านมาเทศต่อหน้าให้เราฟัง อ, อย่างพอช่วงที่หัดแปลใหม่ๆแล้วก็พอแปลได้ นิดหน่อยแล้วก็อย่างที่วัดเนี่ยเขาก็จะมีธรรมวัดเย็นรรเนี่ยทํามวัดค่ําเนี่ยแล้วก็นอกจากจะสวดปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะวนสวดพระสูตรไปเรื่อยๆทบทไหนเราแปลได้เรากม็มันก็มีความซาบซึ้งขึ้นมาอ่าวัดนี้ตอนนี้เออเราเรารู้ความหมายเนาะเอามันแปลอย่างนี้อย่างนี้เนาะเราก็ได้น้อมจิตน้อมใจไปตามความหมาย ที่เรารู้เราทราบเวลาตอนเราสวดเนี่ยใจเราก็อยู่กับบทสวดอยู่แล้วใจเรามันก็เป็นสมาธิอยู่แล้วแล้วยิ่งตอนที่เราได้น้อมเอาความรู้สึกในใจที่มันเป็นสมาธิได้น้อมไปตามคำสอนที่ที่เราได้รู้ที่เราแปลได้อันนี้มันก็ทำให้เกิดความซับซึ้งขึ้นมาในจิตใจเราได้ แล้วก็นึกซึงถึงความมีเรียกว่าพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ทรงรู้แล้วแล้วก็ไม่ได้ทรงแสดงทำแจกแจงเอาไว้ให้โอ้แล้วเราจะได้มาถึงจุดนี้ไหมถ้าไม่แสดงเราก็ไม่รู้เพราไม่รู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เวียนว่ายอยู่กับความทุกข์ไปอยู่กับทะเลของความทุกข์ เพราะนั้นมันก็แสดงถึงความมีเมตตามีความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์นะเพราะนั้นเราก็ทำความสงบใจแล้วก็น้อมจิตน้อมใจนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อย่างเนี้ยมันก็ทำให้จิตใจเรามีที่พึ่งเจ่มชื่นบิก บ, บานขึ้นมาได้อีกทั้งมันก็ มันก็เป็นเรเลิก ง, งามยามดีที่เราจะต้อนรับวันใหม่ของปีใหม่ด้วยสภาวะจิตใจที่มันห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากโลภะโทสะ โ, โมหะราคะาก็ถือว่าเป็นสิ่งดีงามที่เราได้มอบเป็นของขวัญให้กับตัวเองในวันสงท้าทยปีแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ให้เรามีสติ ค, คอย กระคองรักษาจิตใจไว้